จากมาแสนไกลตั้งใจศึกษาเพื่อวันข้างหน้าจากเอาความรู้ไป ทางบ้านเราต่อไปไม่อายใครเขาให้บ้านเราพัฒนามาเป็นที่หนึ่งสุขใจได้มีเพื่อนดีมากลายอาจารย์ผู้ใหญ่ช่วยสั่งสอนทราบซึ้งจึงเป็นแรงช่วยผลักดัน ให้ฉันได้ก้าวไปถึงฝันฝันที่ฉันมุ่งหวังในใจต้องการเป็นความภาคภูมิจากรูาม่วงเหลืองก้าวสู่ความรุ่งเรืองทั่วกันดงคู่ วันนี้ไปได้นำความรู้สู่ยังท้องถิ่นบ้านเราพัฒนานำพาด้วยคนนาาุณธรรมน้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาสถาบาน ช่อนั้นแบ่งบางน้ำตาจากวันนี้ไปได้นำความรู้สู่ยังท้องถิ่นบ้านเราพัฒนา mm hmm. ดำพาด้วยคุณธทัมน้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทา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 สาระน่ารู้มาพูดมามาคุยกับท่านผู้ฟังนะครับซึ่งในช่วงนี้นี่ข่าวข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ําท่วมแหะครับนะที่เป็นที่น่าสนใจนะครับนะเราคงจะต้องติดตามสถานการณ์เป็นห่วงพี่น้องทางใต้กันครับที่ท่วมกันหนักจริงๆนะในรอบนี้ในพอในรอบ30ปีก็มีอยู่ข้างนี้แหละครับที่ท่วมท่วมหนักนะกระท่วมกันเกือบทุก ทุกจังหวัดนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของถนนที่เชื่อมนะครับจากภาคกลางไปภาคใต้นี่ก็ถนนเพชรเกษมเนี่มีขาดช่วงที่อำเภอบางสะพานซึ่งก็ได้ข่าวว่าตอนนี้มีการปรับปรุงแก้ไขกันเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ทำให้ความช่วยเหลือนี่ก็ลงไปช่วยเหลือพี่น้องอาทางภาคใต้ได้ตามปกตินายัดชัย รมเลิศอธิบดีกล่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เปิดเผยบอกว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมเป็นต้นมาเกิดน้ำท่วมนะครับในภาคใต้นะครั บ, นะรบซึ่งซึ่งจากการเกิดน้ำท่วมในภาคใต้รวม12จังหวัดในพื้นที่ประมาณ117อําเภอ700ดร้700ตำบล น, นะครับประมาณ 5,145 หมู่บ้าน ประชาชนก็ได้รับผลกระทบนะครับนะประมาณสามประมาณ 390,000 ครัวเรือนนะครับนะซึ่งมีประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบประมาณ1 000, 1 8 0 0ล้านคนนะตอนนี้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 3, 31มารายนะครับศูนย์หายไป2ราย น, นก็เป็นข้อสรุปของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัย สถานที่ราชาการเสียหาย17แห่งนะครับถนนก็มีถนนตัดขาดชํำลุดเสียหาย592จุดนะครับคอสะพานชํำลุดเสียหายประมาณ100กัา6แห่งนะครับซึ่งอตอนนี้นี่ก็ถือว่าหนักหน่วงนะครับก็เร่งที่จะมีการดำเนินการแก้ไขเพราะในแต่ละจังหวัดนี่ก็จะมีมีในส่วนขององบประมาณนะครับที่จะ ใช้ยามฉุกเฉยกันกันอยู่แล้วนะครับก็ทัานผู้ว่าการจังหวัดก็คงจะต้องมีการดูแลกันนะครับซึ่งสถานการณ์เนี่คลี่คลายกันไปสองจังหวัดได้แก่ยะลาับะระนองนะครับแต่อีกสิบจังหวัดนี้ก็ยังหนักอยู่ไม่ว่าจะเป็นพัทลุงนาราธิวาสสงขลาปัตตานีนะครับตรังสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชชุมพรกระบี่ประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่ง ตรงนี้นี่ก็คงจะต้องดูนะครับเร่งในการที่จะปรับปรุงแก้ไขซึ่งในในครั้งนี้ในทั้งในส่วนราชการรวมทั้งกองทัพไม่ว่า จ, จะเป็นกองทัพเรือกองทัพบกกองทัพอากาศนี่ก็ส่งทหารลงไปช่วยเหลือพี่น้องกันอย่างเต็มที่นะครับจะอย่างที่เห็นเป็นข่าวขาวกันแล้วนะครับนะ่ะกองทัพเรือเนี่ยเอาเรือมาดัานน้ําบ้างนะส่งเรือรบมาช่วยกองทัพอากาศก็ส่งอ ถงยังชียบต่างๆไปช่วยกองทัพ บ, บกก็ลงไปช่วยนะครับนะในหลายส่วนทําถน น, นหนทางนะครับในส่วนของอมูลนิธิกู้ภัยอะไรต่างๆในแต่ละจังหวัดนี้ก็ลงไปช่วยอาสาสมัครไปช่วยกันหลายฝ่ายเลยทีเดียวนะครับมาดูเกี่ยวกับเรื่องการประเมินความเสียหายของขอ ง, ของน้ำท่วมนะครับจากการเปิดเผยของนอายอพิสารวณิพุูมในการศูนย์ศึกษาการคารองประเทศ มหาวิเลย์หอการค้าไทยก็กล่าวว่าได้เป็นการประเมินผลกระทบความเสียหายนะครับจากสาเหตุเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมภาคใต้ก็น่าจะมีมูลค่าความเสียหายประมาณห5 0 0 0ันล้านถึงสอง0 0ล้านนะครับนะซึ่งผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุดได้แก่ชาวบ้านทั่วไปเกษตรก ร, ร, กรนักท่องเที่ยวโรงงานอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมต่างๆนะครับ แล้วก็ระบบการขนส่งหรือโลจิสติกนะครับก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักพอสมควร น, นะครับนะเพราะว่าก็ใช้เส้นทางไม่ได้นะครับนะสินค้าที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คื อ, อยางพารานะครับเพราะว่าน้าท่วมก็ทําให้ไร่นะครับในสวนยางเนี่เสียหายเพราะฉะนั้นตรงนี้นีก็คงจะต้องใช้เวลาในการเยียวยานะครับในการเยียวยาในส่วนของโรงพยาบาลนีสสม มีผลกระทบพอสมควรแล้ะครับนะเยวพอโรงพยาบาลบางสะพานนี่อย่างที่บอกน้ำไหลเข้าท่วมโรงพยาบาลโรงพยาบาลนครศรีธรรมราชนะหลายๆจุดนะก็คงจะต้องมีกระทรวงสาธารณสุขนี่คงมีการจัดการดาเนินการแก้ไขและครับนะนะครับว่าว่าจะทำยังไงนะครับมาลับฟังเพลงก่อนก่อนที่จะมาพูดคุยกันต่อครับ อย่งอางสาววนจนจากไปล้วใจ อ่อนไหวดังจิตใจไฟฮัคอยีน้องคอยคอยพีกลับาวที่ชงอ่อนไหวดังจิตใจไฟฮัลคอยน้องคอยคอยพีกลับมา มาพูดมาคุยกันต่อนะครับในในช่วงนี้นะครับก็ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของของรัฐธรรมนูญนะครับนะพยายามที่จะมีการาเสนอนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยประกาศใช้แล้วก็ให้มีการเลือกตั้งในช่วงปีปลายปี60หรือ61เนี่ยนะครับนะก็เป็นไปตามรถแมปนะครับนาะยยงตรีพูดอย่างนั้นนะครับส่วน เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปการปรองดองนี่นายสุวิทย์เมษินทร์ศรีรัฐมนตรีประจําสํานักนายยงตีก็เปิดเผยวันที่12มกราคมนี้นะครับในส่วนของพลเอกประยุทธ์นายยงตรีหัวหน้าขส ช, ชก็จะเป็นประธานการประชุมเตรียมการปฏิรูปประเทศแล้วก็มีการทํายุทธศาสตร์ชาตนะิและการสร้างความปองดองสมรรถัลย์นัดแรกก็จะมีรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีรัฐรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราช ก, การต่างๆเข้าร่วมนะครับก็จะมีการรายงานกรอบการทํางานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์รเพื่อการปฏิรูปปองดองนะครับเรา จ, จะทําอย่างไรนะครับแล้วก็มี <c oughs> พูดถึงบทบาทสํานักบริหารยุทธศาสตร์เพื่อปฏิรูปและปองดองนะครับพอเช่นนี้ก็ก็จะมีการพูดคุยกันละครับมีการพยายามที่จะมีการขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของการการปองดองนะครับมีซอ สปทสมาชิกสภาพฏิรูปบางส่วนเสนอให้มีการนิ่รโทศกกรรมให้กับในส่วนของมวลชนนะทุกสีเสื้อะครับนะนะซึ่งยกเว้นแก่นำนะครับแล้กวก็มีข้อเสนอต่างๆนั้นๆนะครับเพื่อที่จะมีการสร้างความปองดองมีการปฏิรูปกันเพราะนั้นตรงนี้ก็คงจะต้องติดตามนะครับติดตามในส่วนของคณะกรรมาการเลือกตั้งก็บอกว่ามีความพร้อมแล้วนะครับในการที่จะมีการจัดการเลือกตั้ง กนะันนะพอจะมีตรงนี้นี่ก็หลายหลายฝ่ายนี่ก็เตรียมนะครับที่จะ <c oughs> เข้าสู่เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งแต่ว่าก็ต้องมีกระบวะน ก, การ เ, เกี่ยวกับเรื่องของการทํากฎหมายลูกที่เกี่ยวกับข้องกับการเลือกตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นพลรมพรรคการเมืองเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งสสสวบ้างนะครับในมีกฎหมายลูกเกี่ยวกับเรื่องของกรกตบ้างอะไรต่างๆก็คงจะต้องมีนะครับมีขั้นตอนนะครับกนะัน การที่จะดําเนินการนะครับในการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆนะครับแล้วก็คงจะต้องติดตามกันนะครับในช่วงนี้นี่ในส่วนของเศรษฐกิจนี่ก็เริ่มที่จะมีฟื้นขึ้นมาแล้วครับมีการจัด เ, เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนี่เริ่มกลับเข้ามาในส่วนของประเทศไทยของเรานะครับแล้วก็การท่องเที่ยวทางอีสานทางเหนือนี่ก็น่าจะบูมขึ้นแล้วครับเพราะว่ามีอากาศหนาวเย็นมีสถานที่ท่องเที่ยว ตามภูเขาต่างๆนะครับที่นักท่องเที่ยวนีินยมไปโดยเฉพาะแถวเชียงใหม่เชียงรายแถวพัชบูรณนะครับแถวจังหวัดเลยทางอีสานนี่นะครับก็จะไปมักจะไปชมทะเลหมอกนะครับในเรื่องจะไปชมความหนาวเย็นนะครับแล้วก็ไปชมต้นพญาเสือโคร่งนะครับซึ่งเป็นส ก, กูละทไทยนะครับในส่วนของภาคอีสานนี่ก็อาจจะมาเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นะครับนะก็มาชมปราสาทหินบ้างนะครับวัดวาอารามต่างๆนะครับนะโบราณสถานนะซึ่งในส่วนอันนี้นะครับก็มีหลายๆจังหวัดเลยดเดียวที่นักท่องเที่ยวนี่มานะครับโดยเฉพาะอีสานใต้นี่ไล่มาตั้งแต่นะชัยภูมนนะินะครับนะครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดต่างๆเียก็เป็นจังหวัดที่มีปราสาทหินนะครับนะมีอารยาธรรมข อ, ของขอมเนี่ยอยู่อยู่หลายจังหวัด ซึ่งนักท่องเที่ยวก็นิยมมานะครับนะมามาม า, มาเที่ยวชมนะครับทำอย่างไรที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวมาก็จะเกิดการหมุนเวียนทางทางเศรษฐกิจนะครับในส่วนของหลายจังหวัดนี่มีการกระตุ้นเกี่ยวกับเรื่องของการกีฬานักท่องเที่ยวเนี่ยมาก็จะมาเที่ยวมาม า, มาเยี่ยมชมแล้วก็มาชมกีฬาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นโคราชบุรีลำนะครับนะก็ มีมีทีมฟุตบอลที่เป็นแข็งแกร่งเป็นเป็นแม่เหล็กนะครับนะในการที่จะดึงนักท่องเที่ยวเนี่ยมานะครับเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้ในในส่วนของจังหวัดเนี่ยจะพัฒนาอย่างไรนะครับเพราะว่าในส่วนของรัฐบาลเนี่ยได้จัดงบมาให้ในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดนะในแต่ละจังหวัดเนี่ยได้กระตุ้นเศรษฐกิจมีการจัดการลงทุนในภาครัฐกันเองนะครับนะเพื่อมีการกระตุ้นเศรษฐกิจ ก็มีการเตรียมเม็ดเงินหลายหมื่นล้านเลยกระจายไปทุกๆจังหวัดนะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจาจากภูมิภาคขึ้นไปนะครับนะให้มีการจับใจใช้สอยก็คงจะต้องพยายามที่จะสร้างงานนะครับให้พี่น้องได้มีมีงานทําแล้วก็อาจจะต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของราคาผิดผลทางการเกษตรนะถ้าราคาข้าวราคายางอ้อยมาสมัรหลังดีเนี่ยชาวบ้านก็จะดีนะครับนะเพราะนั้นก็คงจะต้อง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 สามารถีความดีประกายพลน้ำมันหลความสุขจะคื พระกา